ชนะสัญญโฉนิยะทุกกะหนึ่งปฏิจจาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังข่าวาระเหตุปัจจัยเกสเจดสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยคามาราฆาสังโยชน์เกิดขึ้น พึงผ Finanz, <iend Ole Gallery> ูกเป็นจักรไนสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สมัยยุตขันและจิตตสมุทานรูปอาศัยสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นอารมณ์ของสังโยชน์และที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยคลามราฆะสังโยชน์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัย๙๘สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สังโยชน์อาศัยขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้น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 และที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์และอาศัยคามราคะสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองพึงผูกเป็นจกนักรไนเหมือนกับปฐ ม, มทุ ก, กะในสัญโยชนะโกจกะ พึงขยายทุกกะให้พิดารอย่างนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันยกเว้นแต่โลกุตระสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะจบยี่สิบสี่สัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชนและสัมปยุตด้วยสังโยชน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามาราค้าสังโยชน์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรในสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยสังโยชน์เกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และสัมปยุทธะขันอาศัยกามาราคะสังโยชน์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรในร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สังโยชน์อาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมท Somehow, height, ี่เป็นสังโยชน์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สายสภาวธรรมที่สัมปะยุตธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและสังโยชน์สายขันหนึ่งที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอายขันสองร้อยสอง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 และที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามทิฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยขันหนึ่งที่สัมปะยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์และอาศัยการมาราฆะสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองพึงผูกเป็นจักกันัยหนึ่งปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนร้อยสาม เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระมาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยปัจจเนยะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุปัจจัยร้อยสี่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 อาศัยขันธ์ที่สหรกูด้วยวิจิกิจช้าเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยได้แก่วิชาสังโยชน์อาศัยวิจิกิจช้าสังโยชน์และสัมปยุทธขันธ์เกิดขึ้น 2. ปัจยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทไน รห้านเหตุปัจจัยมีสามวาระนัตถิติปัจจัยมีก้าวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอเสวณปัจจัยมีก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และสหชาตะวาระพึงทำอย่างนี้ ปัจยวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 24. ส, นะสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตทุกะเจปัญหาวาระ หปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุตุปัจจั้อย6สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยเหตุตุปัจได้แก่กรามราฆาสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์โดยเหตุตุปัจพึงผูเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่สังโยชน์และเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่การมราคาสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และสัมปยจจุตขันธ์โดยเหตุ ương, ุปัจจัยพึงผู่เป็นจักรในอารมณปัจจัยร้อเจสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยจจุตด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปัจจุตด้วยสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบสังโยชน์สังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เพราะปรารบสังโยชน์ที่สัมปยุดด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยต์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบสังโยชน์ที่เป็นสังโยต์และสัมปยุดด้วยสังโยต์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยต์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จำปยุดด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยชตโดยรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ ขันธ์ที่สัมบูญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมบูญด้ <ars> วยสังโยชน์โดยรมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรากรขันธ์ที่สัมบูญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สังโยชน์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมบูญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมบูญด้วยสังโยชน์ และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ขันที่เป็นสังโยชน์และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัย ร้อสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรารมานาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติ มีสามวาระในวาระทั้งสามนี้พึงเพิ่มอารมนาธิปติปัจจัยและสหาชาตาธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมพยุด้วยสังโยชน์และที่สัมพยุดด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมพยุดด้วยสังโยชน์โดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระอนันตรัปัจจัยเป็นต้น ร้อสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์โดยอนันตราปัจจัยเมิงก้าวาระไม่มีข้อแตกต่างกันไม่มีการจำแนกไว้เหมือนกับอรรมนตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมนันตระปัจจัยเมิงก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเมิงก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเมิงก้าวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอุปาณิสัยปัจจัยมีเ้าวาระพึงเพิ่มตามในแห่งอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวะปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยเป็นต้นร้อยสิทสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โดยกรมมปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยนัตติปัจจัยมีเ้าวาระ เป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยเอาวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 1. ปัจญานุโลส u, ic, vida, Gloria, click, ower, มสองสังขยาวาระสุทไนัยเอเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามะณะปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีก้าวาระ สชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียป um ัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ อธิป ja. ัจจัยมีกลาวว่านัต yes ถิปัจจัยมีก้าวารวิคตะปัจจัยมีก้าววาอวิคตะปัจจัยมีก้าวารอนุโลมจบสองปัจจนี ي ยุทธาระ1้สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุธ์ด้วยสังโยชน์โดยอรมณปัจจัยสะชาตปัจจัย และอุปาณิสยาปัจจัยย่อพึงทำเป็นก้าวาระอย่างนี้พึงเปลี่ยนได้แต่เฉพาะในบททั้งสามไม่มีนานาคณ น, านกะ 2. ปัจจยปัจจนิยะสองสังขยาวาระร13นเหตุ ป, ปัจจัยมีนก้าวาระนอารมณะปัจจัยมีนก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระโนอวิคตะปัจจัยมีนก้าวาระ สปัจจญานุโลมปัจจนญาเหตุทุกขในร้ 4, นอยสิบสณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงณสมนันตระปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระณบุเรชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงนมรรคปัจจัยมีสามวาระณสัมบูญตรปัจจัยมีสามวาระณวิปุตระปัจจัยมีสามวาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจจยะปัจจนญาอนุโลมร้ 115. อยสิบห้าอารมณะปัจจัยกับน้เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจใจมีเก้าวาระพึงเพิ่มบทอนุโลมละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกกะจบยี่สิบห้า สัญโยชนะวิปยุตตสัญโยชนิยทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระร้อยสภาวธรรมที่วิปยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์เกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่ง ที่วิปิยุจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพิงเพิ่มข้มอความจนถึงอาศัญญสัตตพรมและมหาโพธิ ร, รูปสภาวะธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์อาศัยสภาวะธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่ง ที่วิป ย, ยุจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองอาศัยสภาวธรรมที่วิป ย, ยุจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เพึงเพิ่มเป็นสองวาระทุกกะนี้เหมือนกับโลกิยาทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนิยทุกกะจบสัญโยชนะโคจกะจบ หคันธะโคจกะหกคันธะทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุ ป, ปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่มาพิชากายคันธะอาศัยศีลปะตะปรามาสากายคันธะเกิดขึ้น สลลปตะปรามาสกายคันทะอาศัยอภิชากายคันทะเกิดขึ้นอภิชากายคันทะอาศัยอิทธงสัจจาพินิเวสกายคันทะเกิดขึ้นหิทธังสัจจาพินิเวสกายคันทะอาศัยอภิชากายคันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมประยุติขันและจิตตสมุทานรูป อาศัยคันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันทะและไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่อภิชากายคันทะสัมยุตตขันและจิตตสมุทารูปอาศัยศีและปตะปรามาสกายคันทะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกไนสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้น เพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปา จ, จัยได้แก่ คันทะอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามคันทะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์อ ส, สองที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองสสภาวธรรมที่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาภิชากายคันทะอาศัยศีลาศาายและปตะปรามาสะกายคันทะและสามปยุตตะขันเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจกกนักรไนสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะและอาศัยคันทะเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันทะและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นขันทะและที่ไม่เป็นขันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันทะและที่ไม่เป็นขันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตกบัดใจได้แก่ขันสามอภิชากายขันทะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นขันทะและสีลัพตะปรมาสกายขันทะเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองพึงผูเป็นจกนักรนยย่อเพราะอารมณปัจจัยละถึงเพราะอาวิคตตปั จ, จัจหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนยปปจจย า, า, าจจยสเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจัจมีเก้าวาระอธิปติปัจัจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและเก้าวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจะยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตกปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะนเหตุก ป, ปัจใจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นขันถาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุรุุุ ม, ม, รร ม, มุุุุุุุุุุุุุุุุุุุิจุจุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุศุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุุปัจจัยเป็นต้นุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยคันทะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะนารมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอัจฉริสัตยพรม สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะนะอนัตรรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยคันทะและสัมปยุตตะขันเกิดขึ้นยอ่อละถึงเพราะนะอนัติปฏิปัจจัยมีเก้าวาระเพราะนะอนันตรปัจจัยมีสามวาระเพราะณสม נ ันตระปัจจัยมีสามวาระ เพราะณะอัญญมัญญปัจใจมีสามวาระเพราะณอุปาเนสยปัจใจมีสามวาระณปุเรชาตะปัจใจเป็นต้นเจสภาวธรรมที่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจใจได้แก่ในรูบาวจรภูมิอภิชากายคันทะอาศัยอีทางสัจจาพินิเวชกายคันทะเกิดขึ้น ทิทังสัจจาพิเนเวสกายคันถะอาศัยอภิชากายคันถะเริดขึ้นในรูปาวจรภูมิไม่มีสีและปะตะประมามะพึงเพิ่มเป็นเก้าวาระอย่างนี้เพราะณปัจจาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระเพระาะณอเสวณปัจจัยมีเก้าวาระเพราะณกรรมปัจจัยมีสามวาระเพราะณวิปากะปัจจใจมีเก้าวาระเพราะณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ เพราะณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระเพราะณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระเพระาะณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระเพราะณสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระเพราะณวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระเพราะโนนัติปัจจัยมีสวาระเพราะโนวิคตะปัจจัยมีสวาระ 2. ปัจยปัจญิยะ 2. สังขยาวาระสุทไน นเหตุปัจจัยมีหน an ึ pelvis, vad, ievers, ่งวาระนอารรมณะปัจจัยมีสามวาระนัทิปติปัจจัยมีเ้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมพันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาเนสยปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจใจมีเ้าวาระนัจฉาชาตะปัจจใจมีเ้าวาระนอเสวะณปัจจัยมีเ้าวาระ นกกรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมกมคปัจจัยมีหนึ่งวาระนักสัมบุญตปัจจัยมีสามวาระนวิปุญตปัจจัยมีเ้าวาระโนนัตถปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระสาม ปัจญานุโลมปัจจนยเก้านอารมณ์ปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนออธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงนับอย่างนี้ 4. ปัจญะปัจญานุโลม10อารมณ์ปัจจัยกับนะเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ชาชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 26. คันธ ท, ทุ ก, กะ 3. ปัจญาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเฮตุปัจจัย 11. อ สภาวธรรมที่เป็นคันทะทำสภาวธรรมท Same, ี่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ ภายวัตถุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมมหาภูตรูปหนึ่งขันที่ไม่เป็นขันทะธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นขันทะทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันทะทําขันที่ไม่เป็นขันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทะธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะทมสภาวธรรมที hm ่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสาคันธะและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองคันทะและสัมยุญตขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 12. สภาวธรรมที่เป็นคันทะ ทำสภาวธรรมทีม่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชากายคันธะทำสีละปะตะปรามาสกายคันธะและสจำปุจจคันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักนไนอภิชากายคันธะทำสีละปะตะปรามาสกายคันธะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักนไน สภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะทำสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะและทำคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองขันที่ไม่เป็นคันทะทำคันทะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะ ทำสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสามอภิชากายคันทะและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นคันทะและทำเสลาพตประมาสักายคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองพึ่งผูกเป็นจกนักรไนอภิชากายคันทะและสัมยุญตขัน ทมสีลพตะปรามาจักกายคันทะและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรนัยหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสบสาเหตุปัจจัยมนเก้าวาระอรมณะปัจจัยมนเก้าวาระอธิปติปัจจัยมนเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมนก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจะปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนะเหตุกปัจจสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุกปั จ, จัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นคันทะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะ เพิ่มเพิ่มข้อความจนถึงอาศนิสสัตตพรมจะขควิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายญายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นคันธะธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สะหรโคด้วิจิกิจฉาและที่สะหรโคด้วยอุทะจะทำขันธ์ที่สะหรโคด้วิจิกิจฉาที่สหรโคด้วยอุทะจะ และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นย่อสองปัจจยปัจจินยะสองสังคยาวาระ 15. นหาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยมีสามวาระาธทปติปัจจัยมี9้าวาระพึงนับอย่างนี้ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 16. นหอารมณะปัจจัยกับเหตุกปัจจัยมีสามวาระ นาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจยะปัจญิยานุโลมสิบเจ็ดอรมะณะปัจจใจคำนาเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยวาระเหมือนกับปัจยะวาระนั่นเองพึงเพิ่มสังสถาวาระและสัมปยุตตะวาระเป็นเก้าวาระไม่มีรูป Thank you.